การฟื้นคืนชีพและการตอบแทนเกือบจะกล่าวได้ ว, ว่าจุดสำคัญของบทคือการแสดงออกซึ่งหลักฐานและข้อพิสูจน์ให้เป็นที่ประจักษ์ถึงความเป็นเอกภาพของพระเจ้าแห่งสากลโลกบทนี้ได้เริ่มด้วยการกล่าวถึงอัลกุรอานและแหล่งที่มาของอัลกุรอานคืออัลลอ์ผู้ทรงอำนาจในอาณา จ, จักรของพระองค์ผู้ทรงปรีชาญาณในการสร้างของพระองค์ ซึ่งทรงประธานคำภีอันทรงเกียรติของพระองค์มาเพื่อเป็นความเมตตาแก่ปวงเบาและเพื่อเป็นดวงประทีนเป็นไฟส่องทางแห่งความสันติสุขและความดีแก่มนุษยชาติบทนี้ได้กล่าวถึงสัญญาณทั้งหลายแห่งจั ก, กรวาลซึ่งเรียงรายอยู่ในโลกอันกว้างใหญ่นี้เช่นในบรรดาชั้นฟ้าสวยงามก็มีสัญญาณในแผ่นดินอันกว้างใหญ่ก็มีสัญญาณ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 ซึ่งพวกเขาได้ฟังองค์การต่างๆของพระองค์ก็ไม่ได้เพิ่มอันใดให้แก่พวกเขานอกจากการยิ่งยัโสและฝาฝืบทนี้ได้กล่าวถึงความโปรดปรานอันมหาศาลของอัลลอฮ์ต่อปวงบ่าวของพระองค์เพื่อที่จะให้พวกเขาขอบคุณต่อพระองค์และใคร่ครองถึงบุญคุณของพระองค์ซึ่งพระองค์ทรงประทานให้แก่พวกเขาทั้งๆที่พวกเขารู้ดีว่า อัลลอฮ์องเดียวเท่านั้นคือที่มาแห่งความโปรดปานทั้งหลายนี้ทั้งที่มองเห็นและมองไม่เห็นทั้งในที่แจ้งและที่ลับและไม่มีผู้สร้างและผู้ประธานปัจใจ ย, ยังชีพอื่นใดนอกจากอัลลอ์บทนี้ได้กล่าวถึงการที่อัลลอ์ทรงยกย่องให้เกียรติแก่วงวานอิสรออิลอ ย, ย่างมากมายแต่พวกเขาได้ตอบรับความโปรดปานและความดีต่างๆของพระองค์ด้วยการดื้อรั้นและฝ่าฝืน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 คำพีนี้ได้ถูกประทานลงมาจากอัลลอ์ผู้ทรงเดชานุภาพผู้ทรงปรีชาญาติแท้จริงในบรรดาชั้นฟ้าและแผ่นดินนั้นแน่นอนย่อมมีสัญญาณอันหลากหลายสำหรับบรรดาผู้ศรัทธาแท้จริน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 ความหายนะจงประสบแก่ทุกคนที่โกหกชอบทำบาปยสอลลอุลเลหทุมม์ตรัอลมยาฟบดฮบอลเขาลีมฟังบรรดาองค์การของอัลลอฮ์ได้ถูกสาทยายแก่เขา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 ลอ ล, ت ت ล, ล, ลล a l คือผู้ทรงทำให้ทะเลเป็นประโยชน์สำหรับพวกเจ้าเพื่อเรือเดินสมุทรแล่นไปตามน่านาน้ำโดยพระบัญชาของพรลงและเพื่อพวกเจ้าจะได้สแสวงหาความโปรดปรานของพรลง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 และเราได้ยกย่องพวกเขาเหนือประชาชาติทั้งหลายในยุคนั้น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 ي ي อัลกุรอานเป็นแสงสว่างแห่งมวลมนุษย์และเป็นทางนำที่ถูกต้องและความเมตตาแก่กลุ่มชนที่มีความเชื่อมัน่นัมงิัสิ่งลาีจะทหเขาเป็นอนผู้ที่เช่อและที่ถูองมว่าะเป็นการช่วยเหลาอวกเขาหรือการทาตุย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 แล้วเราทรงสร้างบรรดาชั้นฟ้าและแผ่นดินด้วยความเที่ยงธรรมและเพื่อทุกๆชีวิตจะรับการตอบแทนตามที่ได้ขวนขวายเอาไว้โดยพวกเขาจะไม่ถูกอาธรรมแต่อย่างใด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 ا أ ا إ และเมื่อองค์การต่างๆอันชัดแจ้งของเราถูกอ่านแก่พวกเขาข้อขัดแย้งของพวกเขาก็ไม่มีอะไร นอกจากพวกเขาจะกล่าวว่าจงนำบนรรพบุรุษของเราให้คืนชีพกลับมาหากพวกเจ้าเป็นผู้พูดจริงจงกล่าวเถิดมูฮัมมัด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 และพวกเจ้าเป็นกลุ่มชนผู้กระทำผิด وإذا قيل إن وعد الله حق و ا, ا, إ و و س ا ع ة لا ريب فيها قلتم ما ن د ر ما الساعة قلتم ما ن د ر ما الساعة إن ظن إ, إ ل ظنوا وما نحن بمستسين ะเมื่อได้มีการกล่าวว่าแท้จริง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 ผู้สรงปริชาญ